ใจที่ถูกบังคับบีบคั้นหรือกดท่วอยู่ตลอดเวลากับใจที่หลุดพ้นจากสิ่งบังคับบีบคั้นกดท่วนี้ไปโดยสิ้นเชิงแล้ว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 เมื่อเราเทียบเข้ามาสู่ภายในระหว่างจิตกับสิ่งกดขี่บังคับภายในจิตใจของเรามันกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาทุกขณาจิตแม้จะไม่ปรุงไม่แต่งก็ต้องถูกกดขี่บังคับอยู่อย่างนั้นตามหลักธรรมชาติของมันเองเพราะมีสิ่งกดขี่บังคับ เมื่อเป็นเช่นนั้นจะหาความสุขอันแท้จริงที่ไหนมีความสุขก็เป็นความสุขเหมือนกับอาหารที่เขานำไปเลี้ยงนักโทษในเรือนจำเป็นอาหารประเภทใดเพราะอาหารของนักโทษเราย่อมทราบได้ <c oughs> แม้จะไม่เคย เป็นนักโทษเราก็ทราบได้ว่าเป็นอาหารประเภทใดเป็นที่พึงพอใจไหมาอาหารที่เขานำไปเลี้ยงนักโทษนั้นอาหารที่กิเลสนามาเลี้ยงจิตใจของเราพอให้ทรงตัวไปพระพู้ตามภาษาโลกพอไม่ให้ตายเหมือนนักโทษในเรือนจยเพื่อจะเอาการเอางานจากจิตดวงนี้เช่นเดียวกับเขาต้องการ การงานกับนักโทษผลของางานจากนักโทษนั่นหอะอาหารของจิตที่กิเลสนำมาเยียวยาหรือมาพอประทังชีวิตของเรายิงเป็นอาหารประเภทเดียวกันกับนักโทษไม่ได้ผิดกันอะไรถ้าเทียบแล้วเป็นเช่งนั้น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 สำหรับเราผู้เป็นนักปฏิบัติยังติดรสอันนี้ด้วยความพอใจจึงเรียกว่าติดติดรูปก็มีรสอยู่ในรูปนั่นแหละติดเสียงติดกลิ่นติดรสเครื่องสัมผัส ต, ต่างๆด้วนแล้วจะมีรสอยู่ภายในสิ่งนั้นๆด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่จะมีแต่รสที่ว่า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 เป็นไปนที่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นรถของกิเลสทั้งหมดเราจรึงติดไม่มีวันที่จะทราบโทษของรถเหล่านี้ได้เลยถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิพิจารณาโดยแยกคายไปตามลําดับําดากี่กับนับกันไม่ได้ก็ตามจะต้องเป็นผู้ติดรสและเพลิดเพลินในรถโดยไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวตลอดไป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 ไม่ใช่เป็นรสแห่งความจิงมันรสแห่งความปลอมของขิ้เหร่เศกสรรปั้นยอหรือปรุงแต่งขึ้นมาให้เราได้สัมผัสสัมพันธ์หรือว่าให้เราได้รับได้กินปุน่นในงานต่างหาไม่ใช่รสแห่งธรรมแท้รสแห่งธรรมจะเริ่มปรากฏตั้งแต่จิตเป็นสมาธิพอจิตเริ่มสงบความสุขนั่นเป็นเริ่มเป็นรสขึ้นมาแล้ว ความสงบมากน้อยในขั้นสมาธิแต่คำว่าขั้นสมาธินี้อย่าไปคิดว่าเป็นขั้นเหมือนบันไดท่านพูดไว้อย่างนั้นเองเชื่อมโยงไปตั้งแต่ความสุขของสมาธิขั้นพื้นพื้นไปโดยลําดับจนถึงขั้นของสมาธิอันละเอียดความสุขก็มีความละเอียดไปตามๆกันนั้นนี่ก็จัดว่าเป็นรถแห่งธรรม คือสมาธิธรรมสันติธรรมในขั้นแห่งความสงบของจิตพอจิตมีอาหารคือความสงบเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นจิตก็ปล่อยวางความกังวลเกี่ยวกับรสต่างๆทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสกายสัมผัสมาโดยลำกับลำดาเพราะรถนี้เริ่มเหนือกว่าแล้วนะ เพียงเท่านี้ก็เริ่มเหนือรสทั้งหลายนั่นอยู่แล้วยิ่งกินได้พิจารณาแยกแยกแะโดยทางปัญญากระจายกันออกตามหลักไตรลักษณ์หรือหลักอจุพะอจุพังปฏิคูณโสโครกแห่งกรรมฐานก็ทำในเบื้องต้นมักจะเดินทางด้านอาจุพะกรรมฐาน ที่ใครดูสกลกายทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งภายในภายนอกของตนและของบุคคลอื่นจัดอื่นไม่เว้นเพราะเป็นสภาพเหมือนกันให้เห็นอย่างแจม่มแจ้งชัดเจนไปโดยลำดับทรมดาแล้วรถนี้ก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นรถแยบขายนอกจากเป็นรถแยบขายแล้ว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 เข้าไปว่าเป็นสิ่งที่กลงข้ามคือว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวรเป็นของมีคุณค่าลบล้างของจริงไปโดยลํำดับตําดาเพราะมันมีอํานาจมากด้วยเหตุนี้จึงติดตามกลมายาของมันโลกของเราเป็นโลกที่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 ความความจริงโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเปิดของปลอมที่มันปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้เช่นความสวยงามหลักความจริงแล้วสวยงามที่ไหนเอาอะไรมาสวยงามคนทั้งคนนี้ดูได้เมื่อไหร่ถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงแล้วมันมีตั้งแต่ของศรกรปุกเต็มไปหมดทั้งล่างไม่ว่าภายนอกภายในจึงต้องชะ้นล้างอยู่ตลอดเวลา แม้เครื่องนุ่งห่มใช้สอยสิ่งที่อาศัยร่างกายนี้อาศัยต้องสข ป, ปรกท่องลุงรังไปตามกันหมดเนื่องจากส่วนใหญ่คือร่างกายนี้เป็นบอ่อแห่งความปฏิกูลอยู่แล้วทั้งภายนอกภายใ น, นเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดสิ่งนั้นจสิ่งใดเป็นของส ก, ร ป, ก, ส ก, ร ป, กปรกโสโครภรรมากรกันเห็นสบงจีวรเสื้อผ้าสถานที่บ้านเรือนมนุษย์ไปอยู่ที่ไหนสกรปรกที่นั้น แต่ไม่มองเห็นความจริงนี่ตามหลักความจริงมันสวยงามที่ตรงไหนนักปฏิัติค้นให้เห็นตามความจริงนี้ยันหนีจากหลักความจริงนี่คือความจริงสิ่งนั้นปลอมมันตลอมว่าหลอกว่าสวยว่างามเอาดูที่ในตัวของเรานี่เอาชิ้นไหนมาเป็นของสวยของงามถ้มาแข่งกับความจริงคือทําลองดูดิ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 นั่นแหะที่ว่าสวัาขาโตรพระกตาทงโมดพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตราสไม่ชอบแล้วชอบอย่างเห็นประจักษ์ไม่มีคำว่าปิดบังเลยลับลี้ที่ไหนดูด้วยตาก็เห็นดังที่กล่าวมาแล้วนี้อ้าวดูเข้าไปสิตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปที่เหงื่อที่ใครเป็นของดีแล้วหรือเป็นของสวยของงามของสะอาดหรือถ้าเป็นของสะอาดจะเรียบขี้ยังไง แล้วดูเข้าไปจนกระทาั่งถึงภายในภายในทั้งหมดนี้มันมีชิ้นไหนที่จะมาแข่งทำว่าเป็นของสวยของงามทั้งๆ ท, ที่ทำบอกว่าไม่ได้สวยได้งามเป็นของปฏิจจุลนแล้วมีชิ้นไหนที่จะ ม, มาแข่งทำของพระพุทธเจ้าได้ถ้าทำไม่เป็นของจริงทำมาพระพุทธเจ้าไม่สัดไม่ชอบเอาอะไรมาแข่งลบล้างได้นี่ลบล้างไม่ได้มันปลอมจริงๆเมื่อได้ยัง ถ้าด้วยปัญญาแล้วเป็นอย่างนั้นหาที่ค้านไม่ได้มันจริงอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่พิจารณาเป็นแต่เพียงว่าเราถูกกิเลสมันปิดพาใจของเราไว้บางคั้งที่มองเห็นอยู่มันก็มาเห็นปฏิกูลเต็มตูวเต็มเนื้อเต็มตัวมันก็มาลบล้างไปหมดไปเสียห่าเป็นของสวยของงามถ้ามันแตกกระจายไปนี้เป็นอย่างไง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 ใจได้ดื่มธรรมคือความสงบเย็นใจใจย่อมไม่ยิ่งเต้นเพ่นกระโดดไม่พุ้งเฟอ้อเหอเขิมไม่ดิ้นดนกวัดแกลไปสู่อารมณ์ต่างๆเพราะได้อาหารเป็นที่พอใจใเมื่อได้ใช้ปัญญาพิพจารณาเรียกว่าปรุงอาหารให้ละเอียดเข้าไปยิ่งกว่าอาหารทางสมถะนีเป็นอาหารทางด้านปัญญา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 ความอิ่มพอแห่งการพิจารณาและการความปล่อยวางแห่งความยึดมั่นถือมั่นจะกกระเด็นออกไปเองด้วยอํานาจของปัญญาเป็นผู้เพิกผู้ถอนสิ่งปิดบังทั้งหลายหรือตัดฟันหรือถอนสิ่งทั้งหลายที่จอมปลอมนั้นออกให้เห็นความจริงอย่างกระจัดใจเรื่องอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องบอกเพราะนั้นเป็นผลแห่งความหลงต่างหาก เมื่อความรู้ได้อย่างเราเข้าไปถึงไหนความหลงจะถอนตัวออกทันทียนติอุปทานจะทนได้อย่างไรต้องถอนตัวออกมาโดยไม่ต้องสงสัยในการพิจารณาปรุงอาหารคือธรรมรสขึ้นด้วยอำนาจของสติอำนาจของปัญญาพิจารณาที้คลายเห็นสิ่ง น, นั้นชัดเจนตามความจริงเท่าไรจิตยิ่งมีความเบาวิววิววิวเกิดความสลดสังเวช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 กองป่าช้าผีดิตายลงไปก็เป็นกองป่าชา้าผีตายดูได้ที่ไหนเอาดูไปตั่วโลกกระถางนี่ที่ไหนไม่มีป่าชา้าชาติบุคคลอยู่ที่ไหนคือป่าชาติผีดิบผีตายอยู่ที่นั่นพิจารณาให้ห ล, ลงถึงความจริงปัญญามีไว้ต้มแกงกินได้เหรอสําหรับเอามาใช้เพื่อหรือเพื่อถอนความล่มจมของตัวเองให้ได้หลุดลอยออกมาจากความเป็นนักโทษทีท่ถูกกิเลสควบคุมทําไมจะทําไม่ได้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 คว้าเอาของประเสริฐแห่งธรรมรดขึ้นมาชมขึ้นมาเป็นสมบัติของตนได้ด้วยข้อปฏิบัติของตนถ้าเราไม่สามารถใครจะสามารถในโลกนี้มอบความสามารถนี้ให้กับใครเวลานี้ทุกบีบบังคับอยู่ในหัวใจไหนไม่ใช่บีบอยู่ในหัวใจเรานี่เหลอเราจะมอบสิ่งเหล่านี้ไว้กับใครภาระทูลังทั้งหมด ที่เราจะปลดเปื้องจะมอบให้ใครมอบให้ทุกหรือทุกก็มีอยู่กับหัวใจนี้แล้วนอกจากจะถอนทุกออกด้วยความเพียรทุกถึงไหนถึงกันทุกด้วยความเพียรไม่เป็นไรดียิ่งกว่าทุกที่บีบคั้นตัวของเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งหาผลประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนี่เป็นไหนไหนมันคุดลงไปหน้าปฏิบัตินี่ขั้นอขั้ น, ข, น, ข, นของการพิจานะรณาป่าชาท่านสอนอาจจะดูปชาชาก็คือยังไม่เห็นป่าชาติภายใน ให้ไปดูป่าช้าภายนอกก่อนเพื่อเป็นบาดเป็นฐานเป็นแนวทางแล้วก็เด็กวกย้อนเข้ามาสู่ป่าช้าภายในของตนมันมีไปหมดนอกจากร่างกายของเราเป็นป่าช้าพิดิบแล้วไอ้สัตว์สาลาสิงมันเต็มในท้องเหล่านี้มีอะไรบ้างมันจุกันมานานตั้งเท่าไหร่ป่าช้าตรงนี้ทําไมไม่ดูรู้ไหมมันเห็นชัดเจนความเป็นอนุภาตุผังความเป็นในจังทุกขังตากล้องอ่ไรนี้หมดไม่นอกเหนือไปจากนี้เลย <c oughs> แย่ไปทางความแปรปวนเคลื่อนนิจังมันก็เห็นอยู่ชัดๆแปรสภาพอยู่ตละเวลาตั้งแต่ต้นวันเกิดจนกระทั่งถึงมันตายแม้แต่เวทนามาพยายามแปรของมันมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆทั้งร่างกายและจิตใจหมุนตัวอยู่อย่างนั้นมีเวลาจุดยั้งที่ไหนถ้ามีสติปัญญาทำมาจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ทํางานของตัวโดยหลักธรรมชาติของเขาด้วยสติปัญญาของหลัาต้องรู้ต้องเห็นทุกคขัง อวัยะวะส่วนไหนท่าให้มีความสุขความสบายอือนัตตานั่นท่านประกาศไว้ชัดเป็นแล้วอย่ายุ่งอนัตตาเหมือนกับว่าจะตีข้อมือพวกเรานัเนี่ยอย่าไปเอื้อมอย่าไปจับอันนั่นเป็นพิษเป็นภัยอย่าไปเข้าใจว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นเอาเป็นของเรา <c oughs> นั่นคือพิษคือภัยเมื่อว่าเราเป็นของเราเมื่ อ, อไหรความยึดมั่นถือมั่นก็คือการจับเหมือนการจับไฟนั่นแหละ ถอนตัวออกมาด้วยปัญญาให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นจริงทุกขังตาโดยแท้จิตจะไม่อาจไม่เอื้อมไม่ไปจับเพื่อไปแตะไปต้องถ้าปล่อยวางภาระถุลังคืออุปทานความยิบมั่นถือมั่นอันเป็นภาระอันหนักนั้นออกมาได้โดยลําดับลำดับเมื่อจิตได้ถอนตัวออกมาจากอุปทานความยิดมั่นถือมั่นโดยลําดับก็มีความเบาขึ้นโดยลําดับสบายขึ้นโดยลำดับโอชารตของธรรมจะแสดงขึ้นโดยลําดับละละเอียดยิ่งกว่าขั้นสมาธิอีกที เมื่อรถแห่งธรรมเหนือรถของกิเลสประเภทนั้นๆไปโดยลำหนับก็ต้องเหยียบย่ำกันไปเลยปลอยกันไปเรื่อยปล่อยกันไปเรืย <c oughs> รูปประขันเป็นสาคัญทําจิตให้ทุกข์กระเทอือนมากทีเดียวรักก็เป็นทุกข์ช่างก็เป็นทุกข์เกลียดเป็นทุกข์โกรธเป็นทุกข์เกี่ยวกับเรื่องธาตุเร่งขะเรื่องเรื่อ ง, ร, อ ง, ร, องรูปประขันนี่สําคัญมากกว่าเพื่อนถา้าจิตไม่สงบ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 ผู้ทรมานผู้บีบบังคับเราคือตัวขี้เหล็กแต่ละประเภทต่อเภทนี้คือตัวทรมานเราอย่างใหญ่หลวงมาแต่ไหนแต่ไรนับไม่ได้ก็ต า, ามถือเอาหับปัจจุบันนี้เป็นตัวการสําพันแล้วก็ จ, กจะกระจายไปหมดอดีตมีมานานเท่าไหร่ก็คือธรรมชาติอย่างนี้เหมือนกันหมดหากว่าปลดเปลื้องกันไม่ได้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นให้ดูเรื่อง ความเป็นจริงซึ่งมีอยู่ในตัวของเราประกาศอยู่ตลอดเวลานี้ด้วยสติปัญญาศรัทธาของเเพียรของเราอย่าลดละค่อยหลังอยเห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าความเพียงที่จะดื้อถอนตนออกจากถิ่นบีบบังคับนี้ให้กลายเป็นตนผู้วิเศษขึ้นมาตนนี้ไม่เสียชันก็าตามเจ ส, สันก็าตามไม่ติดไม่เป็นภาลังไม่เป็นอุปทานเอาตรงนี้ให้ได้นั่นแหละธมะโกชารดังสูงสุดอยู่ตรงนั้น ให้ถอดให้ถอนสิ่งที่เกี่ยวข้องพัวพันกันออกไปเรื่อยๆถากถางเข้าไปตั้งแต่กลองรูปนี่นี่ก็เป็นกําแพงอันหนึ่งด้วยเป็นสิ่งที่มันหอนนานแน่นอันหนึก็คือกลองรูปพอผ่านกองรูปทําลายกองรูปนี้ไปได้โดยลาดับดับและทําลายไปได้จนกระทั่งไม่มีเยื่อใหญ่รู้ชัดแจ้งด้วยปัญญาแล้ว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 คือเป็นผลปรากฏประจักษ์ใจเนื้อกว่าความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นได้ไหนจึงต้องมีความพอใจโดยหลักธรรมชาติขึ้นมาความเพียรหมุนตัวเป็นเกลียวไปในบุคคลในจิตดวงที่มันเคยเกียดค้านเพราะความเกลียดค้านเป็นเรื่องของจิเล็ต้านทานทำต่อสู้ทำเราจะประกอบความภาคเพียรความที่เกียดที่ค้านความอความท้อแท้เหลวไหลความทุกข์ความลํำบากจึงปัดดังกันเข้ามา บีบังคับให้เก้าไปได้แล้วสุดท้ายก็ล้มตูมลงมแสดงว่าถูกยิงแล้วไม่ต้องซ้ำหลายนัดตูมเดียวก็ล้มล้มลงเสื่อลงหมอนรับเข้าครอแขกแขกแล้วนแน่จถูกกิเลสมันยิงเอายิงเอาฟันเอาแหลกแตกกระจายความเพียรไม่เป็นท่าท่าอย่างนี้แล้วก็คือผู้ที่จะ จมอยู่ในวัฏะสงสารจมในเรือนจําคือวัฏฏจักรนี้ตลอดไปหาวันหลุดพ้นไปไม่ได้หามันเป็นอิสระไม่ได้พระจึงฟาดฟันลงไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนใบนี้ไม่เป็นอื่นจะต้องพ้นจากสิ่งที่บีบบังคับนี่โดยไม่ต้องสงสัยสําคัญอยู่ที่ความเพียรที่จะไปที่ปัญญาความกดความทนอดทนลงไปทนเพื่อบึกปืนเป็นอะไรไปอย่างอื่นเรายัางทนได้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 ตามหลักธรรมพระเจ้าที่สอนแล้วเห็นคุณก็จะต้องเห็นขึ้นในลําดับลาดาต่อกันไปเรื่องของเปลี่ยนของเหล่านั่นแหละเหมือนตัวนให้ฟาดพันทางนะเรื่องกรร ม, มาฐานนี้ให้มากพอเป็นปากเป็นทางได้ยี่นี้เป็นเหตุเป็นผลเป็นต้นทุนแล้วไอ้เรื่องขันสีเวทนาสัญญาสัญขาพิัญญ์มันก็เป็นอันทำงานอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอเวทนากายก็มีเวทนาจิตก็มี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 แต่ก่อนเราเห็นว่าสิ่งนี้มีความหมายมีคุณค่ามากพอทําความจริงเข้าไปทําลายความจำเปอมของกิเลตัญหาประเภทนี้แล้วสิ่งนั้นก็หมดความหมายไร้ค่าไปทําเป็นของมีคุณค่าเหนือนั้นอยู่แล้วถึงเด่นดังเด่นชัดเจนทีนี้พวกเวทนาสัญญาสัญหานียานีจ่จะเด่ น, นก็บได้เป็นปากเป็นทางมาตั้งแต่ขั้นนั้นแล้วเวทนาก็มีอะไรส่วนมากจะเข้าสู่จิตเวทนา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 ทุกมีมากเพียงไรยิ่งหมุนติ้วสติปัญญาท่นออกจากจุดนั้นไม่ได้เอาให้เห็นความจริงพานันั้นเรื่องร่างกายแต่ละชิ้นละส่วนนั้นจะเป็นความจริงตามหลักธรรมชาติของตนอย่างชัดเจนพานจิตเพราะตามหลักธรรมชาติเขาก็เป็นความจริงเขาอยาดนั้นอยู่แล้วเมตนาจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรภายในร่างกายมันก็เป็นความจริงอันหนึ่งของตัวเองมีจิตเท่านั้นเป็นผู้ไปสําคัญมั่นหมาย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 หลายครั้งหลายฝก็สามารถถอดถอนอุปทานความยึมั่นถึอมั่นในส่วนร่างกายนี้ได้แล้วเวทนาทางกายมันก็ไปได้ด้วยกันก็จะเหลือแต่เวทนาทางจิตสัญญาสังขารเป็นสําคัญเวลาผ่านจากกายจะไปกา ย, กายนี้ไปแล้วรูปประคันนี้ไปแล้วมันจะเด่นในเรื่องสัญญาสังขารความคิดความตุ้มเพราะมันหมดปัญหาทางร่างกายแล้วจิตใจก็ไม่ยอมพิจนารณาเหมือนเราเรารับทาน นี่อิ่มแล้วอาหารประเภทนี้อิ่มแล้วอีกมแล้วก็ปล่อยอันใดที่ยังสัมผัสน้ำพันยังดูดดื่มก็รับทานสิ่งนั้นสิ่งนั้นเรื่อยเรืยไปจนกระทั่งอิม่มโดยประการทั้งปวงแล้วปล่อยหมดหม่ว่าอาหารวานคาประเภทใดการพิจารณาก็เหมือนกันมันหากบอกอยู่ในตัวนั่นแหละเมื่อเมื่อใจได้พอกับสิ่งใดย่อมปล่อยวางสิ่งนั้นและหยุดการพิจารณาสิ่งนั้นและพิจารณาสิ่งอื่นต่อไปเช่นเดียวกับเรารับอาหารประเภทนี้แล้ว เมื่อพอแล้วก็รับอาหารประเทศอื่นไปอื่นไปเรื่อยๆจกนกระทั่งถึงพอตัวหมดแล้วปล่อยหมดการพิจารณาเนี้ก็เพื่อความปล่อยว่างสังขารคือความคิดปรุงอยู่ภายในจิตปรุงดีปรุงชั่วเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรุงในตลอดเวลาเราทุกคนดูกับหลงเรื่องของตัวไม่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องก็ตามจะต้องวาดภาพความคิดความปรุงทั้งอดีตทั้งอนาคต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 ท่านจะเรียกว่าอานิจจาอนิจจาหรืออนัตตาอนัตตามันเป็นสิ่งเกิดดับสัญญากับอนัตอนิจจาทุกข์ขงอนัตตาเหมือนกันทั้งขังอานิจจาทุกข์งอนัตตาวิญญาอานิจจาทุกข์งอนัตตาเหมือนกันเราจะจิตอะไรมันก็เป็นเหมือนกับรูปขันธ์นี่พิจารณาหลายครั้งแลายหนมันก็ยิ่งตะล่ําเข้าไปเข้าสู่จุดคือจิตนี่แหละการไล่กิเลส ต, ตีต้อนกิเลสตีเข้าไปอย่างนี้มันไปหลบไปซ่อนอยู่ที่ตรงไหนครี้คลายผุดค้นลงไปด้วยปัญญาจนกระทั่งรู้ชัดเห็นชัดแล้วกิเลสหาที่หลบซ่อนไม่ได้วิ่งเข้ามาสู่จิต น, นั้นจิตก็หมุนตื้อเข้าไปสู่ภายในสู่ตัวเองผูดไม่ง่ายเห็นไหมท่านมันมนโนท่านก็ไม่ห้ยิบ่นะฟังสิมนโนก็เป็นอ น, นิจจังตุกขณาตานั่นทังที่มนโนไม่เป็นได้ยังไงก็กิลเลสอยู่ในนั้น เราจะถือว่าใจเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงเพราะเมื่อจิเลศทั้งกองทัพมันอยู่ภายในจิตใจถ้าเราไปถือจิตเป็นเราเป็นของเราแล้วก็เท่ากับเราถือจิตเรศเป็นเราเป็นของเราอยู่นั้นแล้วแล้วพ้นไปได้ยังไงอะนี่ซึ่งมากทำมากข้อนี้ทนี่ในขั้นพิจารณาจิตขขาาก็เป็นอันนี้อย่างทุกขังตานทุกเหตุการณ์เพราะจิตเรศมีอยู่ภายในนั้นอ่าเอาฟาดลงไปด้วยการพิจารณา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 ทางออกไม่ได้จะประรักผูประรักเกกขียงนักกิ่นลดเครื่องสัมผัสก็ถูกตาจะพานหมดแล้วรู้เท่าตามไปจริงไปหมดแล้วมันก็วิ่งเข้าสู่ภายหนแต่มาติดถึงรู ป, ประค์นี้เนี่ยก็พิจารณาแล้ด้วยปัญญาปล่อยวางไปแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็พิจารณาไล่ตั้งเข้าไปโดยความเป็นรารักอนิจจังทุกขัง ต, งตาไปหมดแล้วมันอยู่จุดไหนนี่เลยมันก็ต้องเข้าไปหลบซ่อนในอุโบงใหญ่คือจิตนะปัญญาก็ฟาดลงไปนั่น่ะจิตเป็นเอาเหรือ จิตเป็นของเราเหลอนั่นฟันลงไปเอาเราจะคิบหายก็ให้คิบหายเอาเราต้องการความจริงเท่านั้นจิตจะชิดผายกระจายไปหมดกับสิ่งทั้งหลายที่พิจารณาแต่กระจายไปนี้ก็ให้เห็นในว่าการปฏิบัตินี้ฟาดลงไปสุดท้ายสิ่งที่จำปอมทั้งหลายแตกกระจายธรรมชาติของจริงล้วนๆของจริงอันประเสริฐคือจิตที่บริสุทธิน์นั้นไม่ตายนั่นเห็นไหมนี่แหละ ที่นี่จะว่าอ น, นิจจังทุกขังก็ตาหรือไม่ว่าก็ตามเสิดขอให้จิตบริสุทธิ์เชื้อย่างเดียวเท่านั้นมันพ้นจากสมมติไปแล้วอ น, นิจจังทุกขังนั้นนี่อยู่ในวงสมมติพอจิตได้หลุดพ้นจากนั้นแต่แล้วหมดคำที่จะพูดอะไรต่อไปอีกแล้วรู้ๆทั้งๆที่รู้ๆอยู่นั่นแหละสงสัยอะไรที่นี่นั่นหละการปฏิบัตินี่แหละคือการพ้นจากที่คุมขังพ้นจากวัตจักรคือที่คุมขังของสัตว์ทั้งหลายมีเราเป็นสำคัญ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 แม้เช่นนั้นท่านก็ยังยกว่าประเสริฐประเสริฐซึ่งเป็นสมมติอันหนึ่งขึ้นมาก็ไม่ตรงกับความจริงอันนั้นถึงไม่ตรงก็ตามให้เป็นที่แน่ใจเถอะความต่างกันเป็นดังที่ว่านี่ยหลระหว่างจิตที่มีสิ่งควบคุม บ, คบังคับกาจิตที่หลุดพ้นแล้วจากสิ่งบังคับทั้งหลายเป็นอิสระเสดีเต็มที่ของตัวแล้วต่างกันดังที่กล่าวมาดังนี้ ให้พากันตั้งอกตั้งใจาทางมุ่งมาศึียาหาสาระอะไรพิจารณาให้มันเห็นชัดตามหลักอธิษฐังทุกครั้งาตาดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทั่วไรโลกธาตุเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นไม่มีอะไรจะเป็นของพิเศษในแดนโลกธาตุนี้นอกจากการหลุดพ้นเสียจากแดนโลกธาตุที่ดังที่กล่าวมาแล้วนี้เท่านั้นเป็นของพิเศษนี่เป็นธรรมชาติพิเศษแท้ไม่ต้องเส็ษสรรพัญยอก็เป็นหลักธรรมชาติของตนงี้ พอกับทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละที่ว่ารถแห่งธรรมชำนะญซึ่งรถทั้งกวงรถที่เราได้เคยผ่านมาจะเป็นรถชนิดใดก็ตามพระชนะทั้งหมดตอยทั้งหมดเพราะไม่มีรถอะไระเสมอนี้แม้รถอันนี้ก็ไม่ติดรถที่ว่าประเสริฐนี่ก็ไม่ติดตัวเองเป็นหลักความจริงอันหนึ่งเท่า น, านั้น เอาเอาให้จริงนะปฏิบัติอย่าท้อถอยเอาพรีชีพต่อพระพุทธเจ้าเถอะการพรีชีพต่อกิเลสนี้เราไม่ว่าพีก็ตามเราเคยพรีมานานแล้วจนนับไม่ได้ในภพชาติหนึ่งนึงของแต่ละบุคคลแต่ละสัตว์นับไม่ได้แล้วเอาวงปัจจุบันที่เป็นไ ป, นปนอยู่ระนี้ย้อนหลังไปจนหาประมาณไม่ได้ก็เป็นมาจากอวิชชาปัญญาตั้งขลั ที่มันฝังอยู่ภายใจิตใจนี่แหละเป็นต่อภพต่อชาตเพราะฉะนั้นจิตเวลาคนตายแล้วว่าศูญมันศูญไปไหนเอาภาคปฏิบัติเข้าประจักษ์ไปย่าพูดตามกลมายาของยิเลศปิดหูปิดตาสิยิเลศมันบอกคุณว่าตายแล้วศูนย์นั่นมันปิดแล้วเด็กยิเลศมันศูญไปไหนมันพาสตัดโลกให้จมในวัฏสงสารนี่มันสูนย์ไปไหนยิเร แล้วกิเลตบังคับอะไรถ้าเราบังคับจิตจิตมันสูญเมื่อมันสูญไปแล้วกิเลสบังคับได้อย่างไรมันไม่สูญนั่ น, นที่มันถึบอกบมันถึงบังคับให้เกิดจากอยู่ตายเรื่อยมาเรื่อยไปอยู่ไม่หยุดไม่ถอดทําไมเราจะไปหลงกลมายังกิเลสว่าตายแล้วสูญอืมพิจารณ า, ามันถึงความจริงที่อะไรสูญไม่สูญไปมันรู้นี่จริงเรี่ยกว่านักธรรมะนักพ้นขวา้พาพิจารณาถึงความจริงดงังพระพุทธเจ้าที่พระทรงประกาศสอนธรรม ท่านประพากสอนด้วยความจริงท่านทรงปฏิบัติแล้วทั้งเหตุก็สมบูรณเต็มที่จึงได้ผลเป็นที่ผืนพอพระไถ่แล้วนำธรรมนี้ออกสอนโลกสอนไม่ที่ตรงไหนว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วศูนนั้นมีที่ตรงไหนมีแต่ว่าเกิดตายเกิดเจ็บตายเกิดเจ็บตายอยู่ท่านสอนไมทั้งเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นพระุทธเจ้ทั้งหลายไม่เคยค้านกันเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นจริงอย่างเดียวกันตามหลักความจริงนั้นจะลบให้ศูนได้อย่างไรการเกิด การตายการเกิดการตายเกิดเกิดตายมาอยู่ไปถอยเพราะอะไรเป็นสาเหตุท่านก็บอกได้ว่าอวิชาปัจจัสร้างฆาตราสาราปัจจัยเป็นต้นนี่นี่เป็นสาเหตุมันฝังอยู่ในจิตพาให้เกิดอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยพอทำลายวิชาปัจจัสร้างฆาราไปแล้วเป็นยังไงวิชาจะตเต ว, ว, วีวัชเซสวดิลกิโารธาสร้างฆาติโนโตนะั่นพอวิชานิรับจากใจเสียเท่านั้นไม่ว่าอะไรนิรับไปหมดนิโรโทโหติเอส น, น, นั่นว่าไง หรือว่าหรือว่าเอวเมตตสัจเจวะสัจตุกขะ น, นิโรธโห ต, ตินะในวิชาพอวิชาดับจึงทันั้นทุกสิ่งอย่างดับไปหมดแล้วผู้ที่รู้ว่าวิชาดับนั่นคือผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์นั่นดับสูญไปได้อย่างไรนั่นทินนักปฏิบัติเราค้นให้มันเห็นความจริงนี้ใครจะยกสามแดนโลกธาตุมาค้านก็ไม่หวนถ้าเราได้เห็นความจริงเต็มหัวใจแล้วค้านได้อย่างไรเราคิดดูที่พระพุทธเาทรงสั่งสอนสัตวโลก เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นทำไมจึงเป็นครูเป็นศาสนาของโลกได้ทั้งสามโลกกระถาง น, นี้ถ้าไม่เอาความจริงมาสอนอะไรมาสอนสอนด้วยความอาถารไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าอาชาหน่ยเพราะนําความจริงมาสอนโลกไมไ่เอาความปลอมด้นเดามาสอนนี่การทูตองมนี้เป็นเป็นวิชาของอวิชาต่างหากเป็นหลักวิชาของวิชาที่มันกล่อมโลกให้โลกจมไปตั้งหลักทำแต่แค่ไม่ได้สอนอย่างนั้นทั้งเรียก ว, ว่า สิ่งนั้นเป็นของปลอมทำเป็นของจริงกิเลสมันตลอมทั้งเพริร้อยทั้งร้อยตรอบทำจริงร้อยทั้งร้อยจริงหมดเนี่จึงเดินสวนทางกันระหว่างที่เลส ก, กับธรจึงต้องเป็นข้าสึกกันการปฏิบัติประกอบความภาคเพียรไม่ลบกับกิเลสจะลบ ก, กับอะไรนี่คือข้าสึกไม่ลบกับมันนี้จะลบกับอะไรเวลานี้กิเลสเป็นข้าสึกต่อธรรมเป็นข้าสึกต่อเราเราไม่ลบ ก, กับกิเลสที่เป็นข้าสึกต่อเราข้าสึกธรรม น, นี้จะลบที่ไหนลบอะไรกันเมื่อรู้เรื่องของกิเลสทั้งมวลแล้วจะสงสัยทำไปทําไม เฉพาะอย่างยิ่งกิตสงสัยอะไรตาเกิดตาสูญสูญที่ไหนให้มันรู้นี้สินักปฏิบัติออาวรจริงมันจังเลยทำรุ่มรุ่มดอนๆเห็นแก่รับแกนอนเห็นแก่ปากแก่ท้องสิ่งนี้เคยเป็นฝังใจมานานแล้วแป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเอาให้เป็นเรื่องของทำขึ้นมาแต่สมชื่อสมนามมาเราเป็นลูกศิษย์าคตได้พลีตนออกมาแล้วบวชในพุทธศาสนา เอานำดําเนินตามหลักทำาาาาาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเราจะได้ออมหาสมบัติอันล้นค่ามาครองใจยราเทนี้เมื่อทําคลองใจกับกิเลสครองใจนั้นต่างกันอย่างไรนี่ก็ดังที่พูดแล้วทําครองใจคือประเสริฐเลิศนะต่อไปนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายให้พูดฟังนี่เราพร้อมแล้วนี่ถึงพระพุทธเจ้าจะประดิพันธ์ ไปนานเท่าไรก็ตามสวัสดคัรรนั่นแหละคือองค์สัสตาดังที่พระอง์จัดกับป้าอ น, น, นุนนั่นแหละซึ่งแล้วเกินนะถ้าทำแล้ววินัยนี่แหละที่เราบัญหยัดไว้แล้วที่แสดงไว้แล้วนี่แหละอนนุนจะเป็นครูเป็นอนาจารย์ทั้งเถอทั้งหลายเป็นศัสดาแทนเราในการที่เราล่วงไปล่วงไปแล้วก็หมายถึงผ้าใส่ละพระองค์ก็ล่วงไปเป็นธรรมดาของอนิจจังกฎแห่งอนิจจังทุกขังนั่ตา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 สุปฏิบัตโนก็อยู่ที่นั่นอุชูก็อยู่ที่นั่นยายอยู่ที่นั่นชานมีกี่อยู่ที่นั่ น, น, นสุดท้ายก็เอสากวกโตสาวกับ ส, สั ง, งโฆเมือ่อบรรลุถึงความบุดพ้นแล้วกันนั่นแหละคือสาวกของพระพุทธเจ้า อ, อยู่ที่นั่นผู้ทรงหลักความจริงนั่นแหละจะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวจะเพื่อผู้เป็นหลักของตัวแล้ว ของโลกไปได้คือทรงความจริงไว้ไม่หวานถ้ามีความจริงอยู่ภายในใจแล้วไม่หวานการพูดปฏิบัติทุกทุกอย่างสม่มําเสมอไม่เป็นรูรุ่ม ด, นดอนๆสําคัญที่จิตเพราะฉะนั้นจึงต้องสอนเน้นลงที่จิตให้หมู่เพื่อนได้หลักได้เกณฑ์นในการประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจการประพฤติปฏิบัติเรื่องข้อวัดปฏิบัติคือกาบทวินัยอะไรจะเป็นไปตามหลักจิตจิตได้น้อมลงสู่ธรรมแล้ว การดําเนินธรรมย่อยไปไปด้วยความเป็นธรรมเป็นที่ไหนต้องเป็นถ้าเพียงแต่ความจําไม่เฉยมันไม่ได้เรื่องนาผมไม่ได้ประมาททำของพระพุทธเจ้าเรียนก็เรียนเพื่อความจํานะมีแต่ความจําไม่เฉยความจำอันไหนมาแก้กิเลสได้ไมีหรือ <S <S 1> <S 1> จําไม่หมดพระกายพิดกก็กิเลสก็เต็มตัวฉั้นมันมีกิเลสตัวไหนที่พอจะหนังถลอกบ้างผิวมันถลอกบ้างนอกจากจะเพิ่มกิเลสให้หนังหนาขึ้นมาเท่านั้น ด้วยความสําคัญว่าเราเรียนมากรู้มากไปไหนเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้มันหนักความรู้ความฉลาดของตนที่เรียนมามากความจริงมันหนักกิเลสความถือเนื้อถือตัวความสาคัญนั้นหมายว่าตนรู้ตนฉลาดนั่นแหละกิเลสมันแสบอย่างนั้นให้ดูน่อาอ้าวภาคปฏิบัติฟาดลงไปเราจะเห็นเรื่องเหล่านี้แต่กระจายไปภายในจิตใจของเราที่มันเคยแบกเคยขมความรู้ความฉ ล, ลาดอ่านเป็นตัวกิเลสสาคัญนั้นยางประจับไม่สงสัร ความจําความจริงต่างกันความจริงเนี่ยลงได้เข้าถึงไหนที่เละหลุดลอยไปถึงนั่นความจําจําไปถึงไหนที่เละมันพองขนขึ้นถึงนั่นเนี่ยนี่เป็นความจริงพูดตามความจริงเขาก็เรียนมาเคยเรียนมามีท่าว่าไม่ได้เรียนเลยก็ใครๆก็จะว่าเรานี่ประมาทเราจะเป็นสิ้นดนีนเราไม่ได้ประมาทในความรู้สึกเราไม่เคยมีความประมาททําพุทธิย่าม เรียนเราก็ได uh ้เ huh. ร so oh, ียนจำล้วก็ได้จำเรียนนาคทำตรีดก็ได้ความรู้นักทำตรีนี่มันหมายออกไปแล้วนะอ๋อเรานี่มีความรู้มากนลได้ถึงนักทำตรีก็พาราทำโพแล้วขยายไปอีกแล้วโอ้แม่เรามีความรู้มากถึงนักทำชั้นโทนะเป็นนักทำเอกขึ้นเป็นมหาปรือเรียงก็โอ้โหยิงจะก้าไม่ออกมันหนักความรู้มันหนักความรู้ตายอะไรมันหนักที่เหล็กตันหาที่ผี่มันนะว่าตัวรู้ตัวสละนั้นและตัวโง่ที่สุดมันไม่เรียนเพ่อฉลาดมันเรียนเพื่อโง่ถ้าเป็นอย่างนั้น ถ้าเรียนเพื่อจะให้ลูกหลักข้อปฏิบัติแล้วจะได้เดินเรืนตามนั้นนั่นเ่ยเรียนเพื่อความฉลาดอืการเรียนนั้นจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าการเรียนแล้วมาต้องขันวหมายเอาสมบัติของพู้ไเจ้าที่เรียนมาจําได้นั้นมาเป็นสมบัติของตนความจําเป็นสมบัติได้อย่างไงความจริงต่างหากเป็นสมบัติเมื่อเรียนแล้วก็ปฏิบัติท่านว่าปริยัตปฏิบัติปฏิเวทฟังซิทำทั้งสามอย่างนี้เป็นทำเกี่ยวเนื่องกันแยกกันไม่ออกถ้ามุ่งผู้มุ่งผลตามหลักความจริงที่ทรงสอนั้นแล้วต้องดำเนินตามทำทั้งสามประเภทนี้ นักญาเรียนรู้เลี่ยอ่ปาปฏิบัติท่านสอนว่ายังไงเช่นเจสายลกมานะขาท่านตาตโยท่านสอนเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือนี่่งครอบโลกธาตุแล้วนี่หลังที่พูดทีน่นี้อะไรร่างกายเป็นเเอสาดูที่โูมาแล้วผลผมขลเล็บฝันหนังแม่คนเรามันดูกันได้เพียงหนังเท่านั้นหรอผิวบางๆหลอกตาคนโง่หลงก็จเป็นทั่วดินแดน มันถึงสอนรนั้นประเจ้าปริยนโตมีหนังหุ้มอยู่เท่านั้นนาะมันพอดูได้ที่เล็กมันละเอียดแหลมคมมากมันฉลาดมากมันเอาหนันบงบางๆมาหลอกสัตว์หุ้มไว้ในร่างหนึ่งๆแล้วก็ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นหญิงเป็นชายของสวยของงามฟุงงม้งเฟอเ้อเหิมดิ้นรนรนจากยิ่มกว่าสุนาขหน้าเดินก้าวดันสิทธิ์ยังเห่ายังหอนเดือกระเทิร์กอพราะอำนาจแห่งตันราคาตันหามันกําเริบ ม, มันดิ้นรนน้นําหนังหอกกระดูกนี่ มันดิ้นโดนอะไรพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วมันจะไปดิ้นอะไรไเห็นชัดๆอยู่แล้วตาก็เห็นอยู่นี่ชาร่างอยู่ทุกวันชาร่างของสปกปรกนั่นเองสะอาดแล้วไปชาร่างกันทํำไมนะี่เห็นอยู่นี่นี่ท่านจึงสอนมาถึงนี่แล้วท่านหยุดเพราะเวลามีน้อยมันยังไม่ได้สอนได้มากทีนี้ผู้พิจารณาจึงพิจารณากระจายไปที่นี้ อาการยศสาต่สองผมผลด้พันหนังเนื้อเอกระดูกเยื่อในอกระดูกม้ามเข้าใจตั่ผ่าปิดใจปอดเสียใจน้อยหันมาหางเก่าหนาหมดแล้วทีนี่ภายในร่างกายตายกีกระจายไปแหลกด้วยปัญญาไปไหนมันจะหลงไปไหนกิเลสมันหลบมันซ่อนอยู่ตามเหล่านี้มันเสร็จมันสันบัญญ อ, อยตามนี้ฟาดมันลงไปให้มันแหลกตามหลักความจริงด้วยสติปัญญามันจะไปไหนกิเลมันจะหาที่หลบซ่อนไปที่ไหนนะนําที่พูดแล้ว ใครมาสอนอย่างนี้เพราะไม่ใช่พระพุทเจ้าใครจะมาสอนอย่างนี้ได้เพราะไม่มีใครเห็นใครรู้นี่มันปิดหูปิดตาไว้อย่างเม็ดคิดติดเดียวพิเดตปิดตาของโลกของศาลเมื่อสติปัญญาอันเป็นหลักธรรมฟาดเข้าไปตรงไหนมันแตกกระจายตรงนั้นเห็นความจริงตรงนั้นนนี่มันก็ถอนเข้ามาถอนเข้ามาถอนเข้ามาคือนี่คือความจริงมันเข้าถึงไหนแตกกระจายถึงนั้นแล้วจิตเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นนั่นคือการถออนพิเดตด้วยความจําด้วยการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้แล้วให้ปฏิบัติดังที่ท่าน เราลูบมาเชสานมาหน้กาตันตาตะโจเป็นต้นนี่เรารู้แล้วในภาคปริญาตท่านสอนกรรมฐานที่แรกนั่นแหละคือปริญาตเราได้เรียนแล้วจากครูจากอุปชาอาจารย์ของเราแต่นั้นก็เป็นภาคปฏิบัติเอาไปคลี่ครากระจายดูท่านเห็นตามหลักความจริงนี้นั่นคือภาคปฏิบัติเมื่อเห็นตามความจริงมากน้อยถอดถอนตนออกมาถอดถอนตนออกมาที่เล็กถ้วยหลุดลอยไปหลุดลอยไปเั็นคำวัาปฏิเวทาปฏิเวทาคือความรู้แจ้งแทงตลอดแทงทะลุไปเรื่อยเรืจนแทงทะลุไปหมดปโปร่งไม่มีอะไรเหลือเลย พ้นจากโลกคนที่ไหนทําไมพ้นที่ใจซึ่งถูกบีบังคับอย่างนี้จะไปพ้นกันที่ไหนอืใครจะมีจรวดดาวเทียมไหมขับขี่ให้ขึ้นไปพ้นโรคพ้นโลกอะไรโลกนั้น ม, มันไปตายอยู่บนอวกาศมันยังนี้มันเป็พคนที่ไหนมันถึงไปตายแมันคนที่จิตนี่ที่ความเกิดความตายจิตนี่เป็นตัวสาคัญอืมที่ถูกยาผิดของของกิเลสมันแทรกเข้าไปให้หมุนติ้วติ้ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนพบนั่นพบนี้พบน้อยพบใหญ่พบไหนมันกองอยู่กับเราหมด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 มักผลนิพพานทำไมจะไม่สดสดร้อนร้อนยู่กับผู้ปฏิบัติหรือเราไปถามแบบว่าหาอะไรหลงหลงแรงแรงแต่คุ้มเงาแตาคุ้มไปทําไมเอาตัวมันที่จะจับตัวได้แล้วก็จับเงาได้เท่ากันนั่นแหละเพราะเงามันออกไปจากตัวจับตัวแล้วทำไมจะจับเงาไม่ถูกแล้วจะคุ้มเงาเราวิ่งเงามันก็วิ่งมันทําเมื่อไหร่ความสัาพันธ์หมายมันหลอกเราไปเรื่อยมีอะไรที่จะมาขัดขวางมักผลนิพพานไม่มีมีสัจธรรมสองประการเท่านั้นทุกข์กับสมุทัย เป็นเครื่องปิดบังจิตใจไม่ให้ก้าว้าสู่พระผลนิพพานได้แล้วอะไรจะเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังห้อหัวทั้งสองประเภทนี้ก็ามรารกษัตริย์นิโรธศาสตร์ว่าอย่างไรนั่นมีเท่านี้เครื่องบุกเบิกที่จะให้ถึงพระผลนิพพานาาตตาก็มีามารกษัตริย์ได้แก่ข้อปฏิบัติชินสมาธิปัญญาหรือสมาธิสีสมาสมาังโฆจนกระทั่งสมาธิเป็นที่สุดนี่เครื่องมือบุกเบิกที่จะให้เข้าสู่พระผลนิพพานเอาให้เตียนโล่งที่เด็ดไม่มีเหลือเพราะมัชฌิมานี่แหละมันเพราะสถานที่เพราะการที่ไหน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 ท่าเราได้ยึดหลักมัติมาให้ดีแล้วขี้เหร่ต้องพังทลายพังทลายเป็นระดับบดาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายพังทลายด้วยมัติมาในขั้นเด็ดเ่เช่นเดียวกันนี่อยู่ตรงนี้มากผลอภัยท่านแล้วยาสงสยัยสงสัยไปทําไมย่าทูกหลอกไปเรื่อยๆเชื่อที้เหร่เชื่อมานานแล้วให้เชื่อทำทำท่านว่าอย่างนี้มัติมาปฏิปทา น, นั่นแหละเครื่องบูเบิกนี่รอดนี่รอดคือความดับทุกข์นั่นเป็นผลของมัติมาต่างหากมัติมาทํา หน้าที่ได้มากน้อยเพียงไรความดับทุกข์กระดับไปเรื่อยๆเรื่อยจนกระทั่งมัชฌิมาปฏิปาทามีกำลังทำหน้าที่ได้โดยสมบูรณ์นี่โรดคือความดับสนิทแห่งกิเลสทั้งหลายระดับทุกข์ทั้งหลายจะหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วจะถามห า, มากรรณาธินที่ไหนไม่ถามอ <c oughs> ส, สดๆร้นอนๆนีเนี่ยอยู่กับตัวของเราอยู่กับใจของเราเนี่ยดูกลยุทธ์ของกิเ็สให้ดีตัวปิดตัวกัน้นกั้นด้วยวิธีใด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 ความหมองกิเลสไม่ใช่กิเลสกลัวทำนะความฉลาดของกิเลสต่างหากมันหมองนั่นคน้นคว้าขุดคุยเขียขุดค้นกันขึ้นมาเอาจนแหลกแตกกระจายไปแล้วกิเลสหมดหลูกเจาก้าหลานเหรนดับเชื้อไม่มีเหลือภายใจิตใจแล้วนิจฉาโตปรานิปบูโตทันมันหมดความหิวดับสนิทไม่มีอะไรสนิทยิ่งกว่ากิเลสดับจากใจ นั่นดับสนิทคือกิเลสดับสนิทแล้วมีอะไรที่โลกสามโลกก็เหมือนไม่มีนั่นเองมันมีแต่กิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องรบวนกวรใจบีบคับ้นจิตใจเมื่อกิเลสออกไปแล้วไม่มีอะไรมาบีบบังคับหนึ่ต้นไม้เป็นต้นไม้ภูเขาเป็นภูเขาดินฝ้าอากาศเป็นดินฝ้าอากาศเขามีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาไม่เห็นมาบีบบังคับไปภูเขาตั้งลูกเขาไม่ามาบีบบังคับนี่งนะกิเลสต่างหากบีบบังคงับหัวใจฟ้าดกิเลสที่มันแหลกตรงนี้แล้วอะไรจะมาบีบบังคับ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 ตามันก็แหลมไม่ใช่อ้วนนะมันพูดตามเจตนาตามความรู้สึกผู้ผิดพาให้ตาแหลมหูมันก็แหลมประทัดอืมอละไรๆว่าแล้วดุแล้วว่าแล้วเพราะอันนั้นมันผิดนี่จะเปิดโอกาสาให้กิเลสมันเหยียบย่ําทํำลายลูกศิษย์ของเราได้ยังไงฮะเราเป็นอาจารย์บอกแล้วสินั่นหลังมันก็ว่าตบ อ, ออกตีออกอืมไปป้องให้ดีสิอย่าเปิดตรงนัน้นฮะ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 แต่ถึงอยงนั้นยังต้องเตือนต้องบอกฝึกซ่อมเป็นไปฝึกซ่อมไปอย่าเปิดตรงนั้นเนี่ยบอกแล้วนะฝึกซ่อมไปวไป่ า, าวอย่าเปิดตรงนั้ น, <c oughs> น, น, น, น, น, น, นเนี่ยแล้วฝึกซ่อมไปพอครัที่สามมาโตเขก็ไปอย่าเปิดตรงนั้นนั่นอันนี้ก็ทํานองนั้นแหละดุตรงนั้นดุตรงนี้ดุคนนั้นดุตรงนี้มันก็เหมือนอย่าเปิดตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นว่างไงถ้ามองดูตามแบบโลกแล้วมันก็เป็นลักษณะ น, นั้นีนิจะว่างไงพาอไวพ้พิปัญญาของเรามันไม่ทันกิเลส เห็นตะกี้เห็นมันเหยียบหัวเตะนวนเตะนี่ทั้งศอกทั้งเขา่าเรากิ้งไปกิ้งมายังเทิร์นหลับครอบครอบไม่ได้ถูกกิเลสไอไบบขนาดนั้นมันก็หน้าโมโหสิออย<ๆ>่าเปิดตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นตรงว่าทาไมเอานั้นเป็นงั้นทำไมเอางี้เป็นงี้เนะี่ยพอเหมือนนี่ว่าอย่าเปิดตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นเลยนั่นะให้สติปรรัญญาให้ทําเหนือกิเลส<อ><ๆ>แล้วมันจะอยู่ในหัวใจดวงใด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 มันเป็นเพลงเดียวกันวิชาเดียวกันที่มันไปเชื่อมสอนสัตว์โลกเชื่อมสอนไขก็ตามทำไมจะไม่รู้กลวิทยาของมารไงอู้วเหนื่ยอยแล้วอนี้น้ยเหมือนรังกิเลสฟังเสียงเกี่ยเปียงเอาละพอวันนี้เหนื่อยแล้ว